ชีวิตที่สมบูรณ์คืออะไรเคยมีคนตั้งคําถามกับชีวิตว่าชีวิตที่สมบูรณ์คืออะไรคือการมีบ้านของตัวเองมีรถมีครอบครัวมีงานทําเมื่อทุกอย่างพร้อ ม, มูลนั่นคือชีวิตที่สมบูรณ์ใช่ไหมคาตอบคือไม่ใช่ท่านสอนว่า ชีวิตคืออะไรท่านสอนว่าชีวิตที่สมบูรณ์คือชีวิตที่ไม่มีอะไรแต่อย่าไปรีบแปลว่าตัวคนเดียวเดียวโดดนอนอยู่ป้ายรถเมล์อย่างนั้นแล้วก็จะบรรลุนะคะอันนั้นน่าจะเป็นบนรรเลยมากกว่าจริงๆแล้วท่านแปลว่าอย่างนี้ค่ะชีวิตที่ไม่มีอะไร ให้มีแบบไม่มีคือมีทุกอย่างได้แต่ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเป็นของเราให้ใจสงบอยู่กับทุก์ได้โดยไม่เป็นทุกอยู่กับเรื่องวุ่นวายได้โดยสงบนะคะนี่คือคำสอนเหมือนหยดน้ำที่กลิ้งไปมาอยู่บนใบบัวเคยเห็นไหม ถ้าไม่เคยเห็นก็ให้ไปหาใบาบัวมาแล้วหยวดน้ำลงไปกลิ้งดูอน้ำจะไม่ติดอยู่บนใบบัวก็คือจบตอนนี้นะคะรูปประกอบการ์ตรูนก็คือเป็นรูปใบบัวใบใหญ่ๆมีน้ำกลิ้งอยู่สงสมยดแล้วก็เด็กหญิงขวัญก็โผล่ห น, น้ามามองดู ทำในบทสวดมนต์ในหนังสือสวดมนต์ที่ใช้สวดกันอยู่เป็นประจำในวันทิศที่วัดชนะระปฐานนั้นหลวงพ่อพุทธธาตได้แปลเป็นภาษาไทยกํากับไปกับภาษาบาลีเพื่อให้ผู้สวดมนต์ได้เข้าใจเนื้อหาด้วยในช่วงเช้าจะเป็นการสวดมนต์ทําวัดเช้ามีบทสรรเสริญพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรยัยและบทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าขณะที่พระฉันอาหารเพลนที่ลานหินโค้งญาติโยมก็จะมีการสวดมนต์อีกครั้งหนึ่งแต่แต่ว่าวันนั้นผู้นําสวดจะเลือกสวดบทใดก็จะมีหนังสือสวดมนต์ให้ยืมด้วยนะคะตัวอย่างข้อธรรมคำสอนในบทสวดมนต์ นำมาให้อ่านกันเล็กน้อยเพื่อให้ให้คนที่ไม่เคยสวดมนต์จะได้รู้ว่าที่เขาบอกกันว่าสวดมนต์สวดมนต์นั้นนะ่ะก็พูดถึงอะไรกันบ้างนคะคะเป็นตัวอย่างในที่นี้จะคัดเฉพาะที่เป็นภาษาไทยมานะคะบาลีไม่ไดเอามาด้วยในธรรมะของพระพุทธเจ้าได้สอนว่าความเกิดแฉ่เจ็บ ตายนั้นเป็นทุกข์ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแขนใจก็เป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุ ป, ปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ขันห้าอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีการจำแนกอย่างนี้ว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนขันทั้งห้าเป็นของหนักบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลก การสลัดของหนับทิ้งลงเสียเป็นความสุขเมื่อบุคคลใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมอันหมดจดจงยินดีต่อพระนิพพานอันสงัด ซึ่งสัตยินดีได้โดยยากบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไราและไม่พวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆนอย่างแจ่มแจ้ง ไม่ง่อนแงนคลอนแคลนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้พิจารณาสังขารสังขารคือร่างกายจิตใจแะรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสิ่งทั้งหลายที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา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 จากนอนทับซึ่งแผ่นดินประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้นอกจากนี้นะคะยังมีบทธรรมอื่นๆอีกมากสวดแล้วก็ได้ความรู้ดีเหมือนกันและก็ทำให้สงบดีเวลาสวดมนต์นะคะก็จบตอนนี้รูปประกอบท้ายบทก็เป็นรูปพระจันทร์นะคะกอดอกยิ้มตาพริ้มสบายใจพอสวดมนต์แล้ว รรด้วยเจตนาในการเขียนหนังสือเล่มนี้ต้องการจะดึงท่านผู้อ่านให้ใกล้ชิดกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเสมือนนั่งอยู่ในศาลาฟังธรรมริมน้ำจึงนอกจากจะเล่าให้ฟังถึงหลักธรรมต่างๆมาแล้วยังอยากจะนำพุทธพจน์มาลงไว้ด้วยโดยคัดลอกบางส่วนมาจากหนังสือพุทธวจนะในธรรมบท แปลโดยคุณเสถียรพงศ์วรรณปกฉันขออนุญาตและขอขอบคุณคุณเสถียรพงศ์วรรณปกไว้ในโอกาสนี้ด้วยพุทธะวจนะนี้สั้นๆแต่ให้ความประทับใจลึกซึ้งเมื่อนำไปคิดไปใช้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองมากและรู้สึกเหมือนพระพุทธเจ้ามาสอนเราอยู่ใกล้ๆมาสอนเราโดยเฉพาะ ก่อให้เกิดความอยากทำตามเพราะความรู้สึกใกล้ชิดที่ได้รับนั่นเองพระธรรมบทต่างๆก็มีดังนี้นะคะห้วงน้ำลึกใสสะอาดสงบฉันใดบัณฑิตฟังทำแล้วย่อมมีจิตใจสงบฉันนั้น ชาวนาไขน้ำเข้านาช่างสอนดัดลูกสอนช่างไม้ดัดไม้บัณฑิตฝึกตนเองขุนเขาไม่สะเทือนเพราะแรงลมฉันใดบัณฑิตก็ไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญฉันนั้น เอาชนะตนได้นั่นแหลประเสริฐผู้ที่ฝึกตนได้ละมัดระวังอยู่เป็นนิดถึงเทวดาคนทานพรหมก็เอาชนะไม่ได้ผู้ไม่พิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมสลายของสังขารถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีก็สู้ชีวิตวันเดียว ของผู้ที่พิจารณาเห็นไม่ได้ไม่ควรแสหาความผิดผู้อื่นหรือธุระที่เขาทำแล้วหรือยังไม่ทำควรตรวจดูเฉพาะสิ่งที่ตนทำหรือยังไม่ทำเท่านั้นคนโง่มัวคิดวุ่นวายว่าเรามีบุตรเรามีทรัพย์ ก็เมื่อตัวเขาเองก็ไม่ใช่ของเขาบุตรและทรัพย์จะเป็นของเขาได้อย่างไรกรรมใดทำแล้วทำให้เดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นไม่ดีผู้ทำกรรมเช่นนี้ต้องร้องไห้น้ำตานองหน้ารับสนองผลกรรมนั้น กรรมใดทำแล้วไม่ทำให้เดือดร้อนภายหลังกรรมนั้นดีคนทำย่อมเสวยผลกรรมนั้นอย่างเบิกบานสำราญใจกรรมชั่วที่ทำแล้วยังไม่ให้ผลทันทีทันใดเหมือนนมที่รีดใหม่ๆไม่กลายเป็นนมเปรี้ยวในทันที แต่มันจะค่อยๆเผาพลานผู้กระทำในภายหลังเหมือนไฟไม่แกรแบบฉะนั้นพึงรีบเร่งกระทำความดีและป้องกันจิตจากความชั่วเพราะเมื่อกระทำความดีช้าไปใจจะกลับยินดีในความชั่วถ้าหากคนเราจะทำความดีก็ควรทำบ่อยๆ ควรพอใจในการทำความดีนั้นเพราะการสะสมความดีนำความสุขมาให้เมื่อบาปยังไม่ส่งผลคนชั่วก็เห็นว่าเป็นของดีต่อเมื่อมันผลิตผลเมื่อใดเมื่อนั้นแหละเขาจึงรู้พิษสงของบาปพ่อค้ามีทรัพย์มากมีพวกน้อย และเว้นทางที่มีภัยคนรักชีวิตละเว้นยาพิษฉันใดบุคคลพึงละบาปฉันนั้นยาดูถูกบุญว่าเล็กน้อยจักไม่สนองผลน้ำตกจากเวหาทีละหยดทีละหยดยังเต็มตุ่มได้ นักปราดสะสมบุญทีละเล็กละน้อยย่อมเต็มด้วยบุญได้เช่นกันถ้าเธอทำตนให้เงียบเสียงได้เหมือนคล้องปากแตก mm hmm. ก็นับว่าเธอเข้าถึงนิพพานแล้ว mm hmm. เธอก็จะไม่ต้องทะเลาะเบาแววงกับใครอีก mm hmm. เราต้องพึ่งตัวเราเอง คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยากผู้ใดทำบาปไว้แล้วละได้ด้วยการทำดีผู้นั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์ที่พ้นจากเมฆฉะนั้น ถึงจะอยู่ใกล้บัณฑิตตลอดชีวิตคนโง่ก็หารู้พระธรรมไม่เหมือนจะหวักไม่รู้รสแกงฉันนั้นไม่มีไฟใดเสมอด้วยราคะไม่มีโทษใดเสมอด้วยโทสะไม่มีทุกใดเสมอด้วยเบญจขันธ์ ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงแท้สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อใดบุคคลเห็นแจ้งด้วยปัญญาดังนี้เมื่อนั้นเขาย่อมนายในทุกข์นี่เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์ เราจากอดทนต่อคําเสียดสีของคนอื่นเหมือนพระยาคัชสารในสนามรบทนลูกสอนที่ปล่อยออกไปจากคันธนูเพราะว่าคนโดยมากมีสันดานชั่วมีเพื่อนตายก็มีความสุขยินดีเท่าที่หามาได้ก็มีความสุข ทำบุญไว้ถึงคราวจะตายก็มีความสุขและทุกได้ทั้งหมดก็มีความสุขจงปล่อยวางทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันและไปให้ถึงที่สุดแห่งพบเมื่อใจหลุดพ้นจากทุกอย่างแล้วพวกเธอจะไม่มาเกิดไม่แก่อีกต่อไป ก็จบธรรมบทตรงนี้นะคะตัวการ์ตูนก็เป็นมีลูปพระจันทร์นะคะแล้วก็เด็กหญิงขวัญก็กำลังตัวลอยขึ้นมาถึงพระจันทร์เพราะว่าทราบซึ้งในพระธรรมบทการทำสมาธิ การทำสมาธิทำเพื่อให้จิตสงบเรียกร้นจากความฟุ้งซ่านและเป็นการเตรียมพลังเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่ในเวลากลางคืนแล้วพอตอนเช้าก็าเอาไปใส่โทรศัพท์มือถือทำให้ใช้งานไปได้ตลอดวันการทำสมาธิเนี่ยไม่ได้นั่งเพื่อที่จะเห็นอะไรไม่ได้นั่งเพื่อที่จะถอดจิตไปไหนแต่นั่งเพื่อให้ใจสงบ ให้สติกินข้าวสติจะได้มีแรงหลวงพ่อชาบอกว่านั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงจะเย็นไปได้สมวันเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งทุกวันติดต่อกันก็จะเย็นไปเป็นปีถ้าใครนั่งไม่ได้ก็นั่ง10นาทีจะเย็นไปได้หนึ่งวัน ตอนนั่งสมาธิเราจะรู้สึกว่ามีเรื่องคิดหลายเรื่องมากกว่าตอนที่ไม่ได้นั่งเรื่องอะไรก็ไม่รู้เข้ามาตีกันเต็มในหัวแต่แม้กท่านั้นก็ให้ลองสังเกตดูว่าในท่ามกลางความยุ่งเหยิงในสมองเป็นเวลา10นาทีนั้นถ้าทําทุกวันก็ยังปรากฏความเย็นได้หนึ่งวันนอกเวลานั่งสมาธิได้คือมันยังให้ผลอยู่ได้เหมือนกันก็แปลกดีแต่ก็จริง การทำสมาธิโดยการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิมีสองจุดประสงค์หนึ่งนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบได้พักจิตใจนั่งดูการหายใจตั้งจิตอยู่ที่รูจมูกสังเกตลมที่กระทบตอนเข้าออกบางคนบริกรรมด้วยเมื่อจิตสงบ บางทีคำบริกรรมจะหายไปก็ให้มันหายไปบางทีสงบจนลมหายใจละเอียดแผ่วเบาเหมือนไม่ได้หายใจการนั่งให้จิตสงบอย่างนี้เรียกว่าสมถภาวนา 2. วิปัสสนาเป็นการดูจิตเพื่อเจริญปัญญาจิตจะเจริญของเขาเองแล้วแต่เขาจะหยิบยกทำใดขึ้นมาพิจารณา โดยก่อนหน้านั้นผู้ปฏิบัติเพียงแต่เจริญสติสัมปชัญญะเท่านั้นแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาถึงวิธีปฏิบัติที่ละเอียดมากจึงจะถึงขั้นนี้ได้หลักการดูจิตขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านศึกษาจากหนังสือของหลวงปู่ดูลตุโลหลักของท่านว่าอย่าส่งจิตออกนอกมักจะมีผู้มาเล่าให้ฟังว่า คนนั้นนั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรต่ออะไรบางทีก็เล่าด้วยความชื่นชมบางคนก็เลยไปถึงว่าบรรลุและความจริงการได้เห็นไม่ใช่จุดประสงค์ของสมถภาวนาเพราะสมถภาวนาต้องการความสงบและก็ไม่ใช่จุดประสงค์ของวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาต้องการรู้ไตรลักษณ์ เพื่อให้จิตหลุดพ้นแต่การเห็นอะไรอะไรนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ได้มาตามทางเหมือนกับเราจะเรียนทำกับข้าวกว่าจะไปถึงเคล็ดลับการปรุงอันเป็นสูตรสุดยอดก็ต้องผ่านการเป็นลูกมือรู้ว่าหั่นหัวหอมยังไงไม่ให้น้ําตาไหลขั้นกะทิเป็นคือได้ความรู้ตามเส้นทางที่ผ่านติดตัวมาบ้าง การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันสิ่งที่จะได้ติดไม้ติดมือไปก่อนจะถึงจิตขั้นสูงก็มีเช่นรู้วาระจิตของคนอื่นได้เป็นต้นแต่การเห็นอะไรที่ตื่นเต้นกันนั้นกับเป็นตัวหลอกให้หยุดการเดินทางให้มัวเพลินอยู่กับมันเหมือนกับจะไปดอนเมืองขึ้นละบินนะคะ แต่พอผ่านแดนในมิตกโ้แวะดูปราสาทเจ้าหญิงนิทราเพลินเลยเลิกเดินทางไม่ไปดอนเมืองละเป็นตัวหลอกให้หลงเอาไว้เพื่อมาให้เราไปต่อหลวงปู่ดูนัตุโลก็สอนไว้ว่าเออนิมิตบางอย่างมันก็สนุกดีน่าเพลิดเพลินอยู่ล็อกแต่ถ้าติดอยู่แค่นั้นมันก็เสียเวลาเปล่าวิธีละได้ง่ายๆก็คือ อย่าไปดูสิ่งที่ถูกเห็นเหล่านั้นให้ดูผู้เห็นแล้วสิ่งที่ไม่อยากเห็นนั้นก็จะหายไปเองอข้อหนึ่งที่ท่านสอนท่านบอกว่าที่เห็นนั้นเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงฉะนั้นใครที่อยากเห็นอะไร หรือเห็นแล้วดีใจเข้าไปเห็นอยู่เรื่อยๆก็ควรจะรู้นะคะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเราเพราะการเห็นนั้นไม่ได้พาตัวเราพ้นทุก์ไปไหนเลยขอสรุปช่วงนี้ด้วยคำสอนของหลวงปู่ดูลอัตุโลดังนี้เวลาภาวนายาทรงจิตออกนอก ความรู้อะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่าไปยึดความรู้ที่เราเรียนกับตำลับตำลาอย่าเอามายุ่งเลยให้ตัดอารมณ์ออกให้หมดแล้วก็เวลาภาวานาไปให้มันรู้รู้จากจิตของเรานั่นแหละจิตของเราสงบเราจะรู้เองต้องภาวานาให้มากๆเข้า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 แล้วให้จิตภาวนาเอาเองให้จิตเป็นผู้บริกรรมพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละแล้วพุทโธนั่นแหละจะผุดขึ้นในจิตของเราเราจะได้รู้จักว่าพุทโธนั้นเป็นอย่างไรแล้วรู้เองเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมาย นี่นะคะหลวงปู่ดูลสอนไว้อย่างนี้ทำสมาธิโดยสวดมนต์สำหรับคนที่ยังไม่เคยทำสมาธิและมีความเครียดอยู่มากจะผ่อนคลายความเกรงต่อกันนั่งสมาธิหันไปเป็นการสวดมนต์แทนก็อาจจะช่วยได้ ทำให้จิตใจเกิดสมาธิได้อีกแบบหนึง่งคุณหมอชินนาโอสถหัดสบัมเรได้แนะนำให้ผู้ป่วยที่ไม่เคยทำสมาธิมาก่อนให้ทำสมาธิด้วยการแผ่เมตตาวิธีนี้นอกจากจะทำให้จิตใจสงบแล้วยังเป็นการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์อีกด้วยวิธีทมที่คุณหมอสอนคือ ให้ว่านโมสามจบต่อด้วยคำสวดและลึกถึงคุณพระรัตนตรัยสามจบแล้วจึงต่อด้วยการสวดแผ่เมตตาต่อด้วยแผ่การุณาแผ่มุทิตาและแผ่อุเบกขาวิธีสวดช้าๆและให้หายใจเข้าออกตามที่กำหนดไว้ การสวดดังกล่าวถ้าสวดแบบท่องจำจะใช้เวลาประมาณ15นาทีถ้าสวดช้าๆแบบกำหนดลมหายใจอาจจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่ง15นาทีถึง1ชั่วโมงนี้เป็นเวลานานพอที่จะทำให้จิตใจสงบลงได้ ปฏิบัตินะคะเวลาและสถานที่ก็ตามความเหมาะสมใยายามอยู่ว่างๆแล้วก็ก่อนนอนก่อนจะสวดมนต์ให้ไหว้พระสวดมนต์ตามปกติเสร็จแล้วว่าน้โมสมจบหลังจากนั้นก็ต่อด้วยดังนี้นะคะพุทธังสารนังคัชชามิ ธรรมสารนางคัดชามิสังขังสารนางคัดชามิทุติยามปิพุทธังสารนางคัดชามิทุติยามปิธรรมังสารนางคัดชามิทุติยามปิสังขังสารนางคัดชามิ ตติยามปิพุทธังสารนางคัจฉามิตติยามปิธรรมังสารนางคัจฉามิตติยามปิสังขังสารนางคัจฉามิเสร็จแล้วสวดคำเมตตาตนก่อนนะคะอหังสุขิโตโหมิ ขอข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโโห ω มิขอข้าพเจ้าจงไม่มีทุกข์อเวโรโหมิขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอัพยาปโชโหมิขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนอเนโคโหมิขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ สุขขีอัตนานัปริหะรามิขอข้าพเจ้าจงทำตนให้มีความสุขสัพเพสัตสตาอเวลาขอสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันอัพยาปาชาอนีคาไม่เบียดเบียนกันไม่มีทุกข์สุขขีอัตตานังปริหะ รันตุทาตนให้มีความสุขหนึ่งแผ่เมตตานะคะสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเถิดสองแผ่กรุณา สัพเพสัตตาทุกขาประมุดจันตุขอสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากความทุกข์เกิดสามแผ่มุทิตาสัพเพสัตตามาลัฐธะสมปฏิโตวิคัตฉันตุขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้ปราศจากสมบัติที่ตนได้แล้วเลยสี่แผ่อุเบคา สัพเพสัตตากรรมัสกาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนผู้ทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วเนื่องจากภาษาที่สวดเป็นคำยากนะคะการสวรดก็ต้องอาศัยสมาธิเป็นที่ตั้งจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการที่จะเริ่มต้นคือเป็นอุบายให้เราอาศัยไปสู่การที่มีสมาธินะคะ สมาโดยการฟังทำสำหรับใครที่รู้สึกว่ายังยากอ ย, กอยู่แต่ก็อยากทำสมาธิด้วยก็ให้หาเทพธรรมามาฟังลงนั่งสงบฟังครั้งละม้วนโดยไม่ทำอะไร ค, คู่ไปด้วยใจจดจ่อฟังให้รู้เรื่องก็จะมีสมาธิได้เหมือนกันถ้าฟังแล้วเผลอหลับไปก็จะรู้สึกว่าหลับลึกและหลับสงบ ไปจนเช้าไม่ใช่ฝันสับสนหนีผีหรือเจองูอะไรให้วุ่นวายไปเทพธรรมะนี่มีเรื่องแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือฟังซ้ำได้และเวลาฟังซ้ำมันจะได้ข้อคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอยู่เสมอเพราะเวลาฟังบางช่วงเราก็เผลอไปหรือวันนี้เรามีเรื่องมากระทบใจใหม่ๆมาฟังก็ได้คำที่จะมาช่วยให้คิด ซึ่งเป็นคำที่วันก่อนนี้เราอาจจะไม่สนใจดังนั้นเวลาเรามีเทปหนึ่งมว้วนอย่าเพิ่งคิดว่าอ๋อม้วนนี้ฟังแล้วไม่ต้องฟังอีกทำให้เป็นภาระหาม้วนใหม่ไม่รู้จักจบบางทีฟังแล้วก็ยังฟังใหม่ได้เรื่อยๆนี่เป็นเคล็ดลับที่ต้องบอกกันนะคะเป็นของแถมค่ะแต่ละคนมีวิธีทาสมาธิแตกต่างกันไปแล้วแต่ใจชอบ มีหนังสือเกี่ยวกับการสอนทำสมาธิมากมายให้หาอ่านทำบ้างเล็กน้อยก็ยังดีจะรู้สึกสดชื่นสมองปลอดโปรง่งและความจำดีแลก็จบตอนนี้นะคะการ์ตูนก็จะเป็นเด็กหญิงขวัญก็ฟังทำในวิทยุจนหลับไปนะคะ ตอนต่อไปเป็นบทสรุปสำหรับบทนี้ฉันพบว่าเมื่อเข้าใจและเห็นภาพของหลักธรรมตามหัวข้อทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วก็ดูจะเป็นการตั้งหลักที่ดีในอันที่จะมีาศาสนาอยู่ในตัวเราหลังจากนี้ไปก็อ่านหรือศึกษารายละเอียดอย่างอื่นเสริมต่อให้จิตใจประนีตยิ่งขึ้นแต่เมื่อมีหลักแล้วก็เหมือนเดินอยู่ในบ้านของตนเอง คือรู้ว่าห้องใดเดินไปทางไหนอยู่ชั้นไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปในห้องนั้นแล้วการจะดูรายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรคนที่ศึกษาธรรมะใหม่ๆจะรู้สึกเหมือนว่ากำลังจะได้พบอะไรที่ยากและมากมหาศาลคงจะทำไม่ได้ หรือกลัวเพราะศาสนาพุทธค่อนข้างจะเป็นเรื่องสวนกระแสชีวิตจะรักก็บอกไม่ให้รักรักแล้วทุกข์ทุกข์แล้วอยากร้องไห้ก็บอกว่าให้มองเห็นเป็นธรรมดาอย่าร้องไห้เลยลูกพอทุกข์หนักอยากจะหันไปหาที่พึ่งเขาบอกว่าต้นนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนแหมใหม่ๆก็รู้สึกว่าเวอเหลือเกิน ทำอย่างนี้มันก็รู้สึกทำยากแต่ถ้าศึกษาไปแล้วก็กลับรู้สึกสนุกและมีอะไรเล่าให้เราฟังเยอะเลยทั้งนิทานชาดกมากมายที่ให้คติสอนธทำก็หลากหลายเมื่อเราปฏิบัติทำทำความเห็นให้ถูกตรงเห็นดีเป็นดีเห็นชั่วเป็นชั่วเห็นบุญเป็นบุญเห็นบาปเป็นบาปทาดีได้ดีทาชั่วได้ชั่ว เห็นแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วและเมื่อเรามีความเห็นถูกความคิดก็ถูกไปด้วยทําให้เราพูดดีทําดีทำอาชีพสุจริตมีความเพียรพยายามในทางที่ดีมีสติมีสมาธิคือมักมีองค์8นั่นเองอ่ะแล้วมันก็จะขยับตามไปทุกขั้นทุกตอนเสร็จแล้วก็ส่งผลให้เราทําดีเว้นชั่วทําใจให้ผ่องแผ้วตามไปด้วยในเส้นทางอวาสปฏิโมก พอเมื่อเห็นบาปเป็นบาปได้แล้วเราก็คงไม่อยากจะทําบาปอยู่แล้วเมื่อทําดีก็มีจิตใจดีทําให้ใจก็ผ่องแผ้วรู้หลักปฏิจจสมุตบาทว่าทําให้เป็นทุกข์มีตัวตันหาความอยากได้เป็นตัวตั้งตัวตีเราก็ต้องคอยปรองคอยวางอย่าให้มันอยากได้มากนักตัดๆมันซะบ้างก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ เรามองให้เห็นความเป็นทุกข์อันเกิดจากความไม่เที่ยงเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปพยายามยื้อให้อะไรอะไรมันเที่ยงก็ไม่ต้องเป็นทุกข์คิดถึงความไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูแลรักษาไปตามหน้าที่ของโลกแต่ใจให้เห็นตามสัจธรรมก็คลายความยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางลงได้เมื่อใดก็ไม่เป็นทุกข์ ทุกอย่างนี้เมื่อเราปฏิบัติในชีวิตประจาวันของเราเราก็จะไม่เป็นทุกข์จะเห็นได้ว่าทุกข้อสรุปลงที่ไม่เป็นทุกข์เพราะนั่นคือจุดหมายของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราสอนเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์เท่านั้น อาจารย์วสินอินทสระได้อธิบายว่าการปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะถูกต้องดังนี้ 1. ทําทำดีไม่เอาดีไม่หวังไม่รอไม่อยากให้ใครมาชม 2. ทํทำความดีเพื่อความดีให้ผลหรือไม่เป็นหน้าที่ของกรรมไม่ใช่หน้าที่ของเราเหมือนปลูกต้นไม้ เรามีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ส่วนการจะให้ดอกผลหรือไม่เป็นหน้าที่ของต้นไม้เราต้องไม่เป็นทุกข์เพราะการทำดีถ้าทำดีแล้วผิดพลาดเราก็ไม่ทุกข์แต่เอามาเป็นบทเรียนข้อ3ทนะะํทำดีเพราะว่ามันดีนะคะทำดีเพราะว่ามันดี มันดีก็เลยทํนอย่างนี้ก็จบตอนนี้นะคะรูปการ์ตูนก็เป็นรูปวิวสวยๆก็คือพระจันทร์ดาวอยู่เหนือต้นสนในยามค่ำคืนก็คือแสดงถึงความสงบของธรรมชาติหัวข้อต่อไปซึ่งเป็นหัวข้อสุดท้ายของบทนี้ชื่อว่า รักษาจิตสำหรับคนที่ไม่ชอบศึกษาอะไรมากมายยาวนานจะปฏิบัติธรรมก็ได้เช่นเดียวกันโดยการรักษาจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหวขึ้นลงไม่คิดชั่วไม่โลภโกรธหลงรักษาจิตให้ดีอย่างเดียวโดยการที่ไม่ให้บาปอากุศลเกิดขึ้นและให้บุญกุศลเกิดขึ้น มีพระรูปหนึ่งทูลพระพุทธเจ้าว่ามีศีลมากมายหลายร้อยข้อโอ้ทําไม่ไหวพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ทําข้อเดียวคือรักษาจิตหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านบอกว่าท่านรักษาศีลองเดียวคือรักษาใจรักษาใจไม่ให้คิดพูดทําในทางที่ผิดอย่างเข้มงวดกวดขันใจเป็นใหญ่เป็นประธาน การรักษาใจดีแล้วกายวาจาย่อมดีตามไปด้วยและถ้าเราปฏิบัติได้ตามคำสอนนี้เราก็พอจะนึกออกได้ว่าเมื่อเรามีกายวาจาใจดีเราก็คงจะไม่ได้ก่อศัตรูกับใครและไม่ได้สร้างสิ่งไม่ดีอะไรให้ย้อนกลับมาทำร้ายเราในวันข้างหน้าชีวิตของเราก็คงจะมีความสุขได้ตามสมควรแก่อัตภาพ และเป็นชีวิตที่สงบเย็นทมย่อมรักษาผู้ปรับพฤติธรรมเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนก็จบตอนนี้นะคะการ์ตูนตอนจบก็คือเด็กหญิงขวัญก็ถือร่อมคันใหญ่นะคะส่วนดาวเล็กๆ ก, ก็ถือร่อมเล็กๆนะคะ ส่วนพระจันทร์ก็น่ายุ่งนิดหน่อยเพราะว่าพาระจันทร์โตแต่ว่าได้ล่มอันเล็กๆ